ของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชจะคนมหาสังคปรินายกคราวนี้ก็ถึงกิจกานความรู้ในกิจหน้าที่ที่ื้นทำ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 คือในหน้าที่ที่ควรทำในอริยสัจ ท, ทั้งสี่นั้นหมายความว่ารู้หน้าที่อันควรปฏิบัติในธรรมะแต่ละข้อการปฏิบัติของคนที่ยุ่งเหิงกันอยู่ก็เพราะเหตุว่าปฏิบัติไม่ถูกหน้าที่ยกเฉพาะอริยสัจสีนี้หน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติในทุกก็คือกาหนดให้รู้ทันว่าเป็นทุกข์หน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติในสมุทัยก็คือละดังกล่าวแล้ว แต่คนเราไปปฏิบัติสับกันดังเช่นคนที่มีความทุกโศกอย่างหนักเพราะราดหนาไม่ได้สมหวังเป็นคนจนทางเข้าบางทีก็ทําอัตวินิบาตกรรมตัวเองนี้เรียกว่าทําผิดหน้าที่ของธรรมะเพราะว่าร่างกายของตัวเองที่ตัวเองฆ่าเสียนั้นจะเข้าในทุกข์ขัดจักรคืออยู่ในหมวดทุกข์ที่ท่านว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย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 จึงได้ชื่อว่าพุทธผู้รู้ที่บริบูรณ์ผู้รู้ที่สมบูรณ์เพราะเหตุว่าได้ทรงกำหนดรู้ทุกได้แล้วละสมุทภัยได้แล้วทําให้แจ้งนิโรธแล้วปฏิบัติในมรรคบริบูรณ์แล้วทรงเป็นผู้เสร็จกิจจริงจริงอริยสัจทั้งสี่นี้เป็นธรรมที่สรุปธรรมทั้งหมดทําแสดงว่าเหมือนอย่างรอยเท้าช้างเป็นที่รวมของรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลกเรียกชื่อตามกิจ คือหน้าที่ในอริยสัจทั้งสี่นี้ก็ได้ธรรมะเป็นสี่หมวดคือหนึ่งปริญญ ย, ยธรรมธรรมะที่ควรกําหนดรู้ได้แก่พวกทุกข์สัตว์ทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายหรือสิ่งที่เกินดับทั้งหมดรวมเข้าในหมวดนี้ที่แสดงไว้ในนวโก ว, วาตก็ได้แก่ธรรมะหมวดขันอยายตนะธาตุเป็นต้นทั้งหมด 2. ตหาตับพระธรรมทําใที่ควรละได้แก่กิเลสทั้งหมดที่แสดงไว้ในนวโกวาดก็เช่นอกุศลมูลสานิวรห้ามุนถินเก้าอุปกิเลสส6หรวมความว่าผู้กิเลสและอคุสนธรรมทั้งหมดสมสัจจิกาตับประธรรมทําที่ควรทำให้แจ้งได้แก่ ผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหมดเช่นอุปสมะความสงบระงับแห่งใจ 4. ภาเวตบพบธรรมธรรมที่ควรอบรมให้มีขึ้นเป็นขึ้นได้แก่ทาปฏิบัติทุกๆอย่างในนวโกวาดตั้งแต่ทุกกะหมวดสองไปที่เป็นข้อที่สอนให้ปฏิบัติธรรมก็รวมเข้าในหมวดนี้ทั้งนั้นข้อที่ควรทราบเบ็ดเตล็ดอีกอย่างหนึ่งคือ ในปฐมเทศนานี้ตอนแสดงทุกข์สัตว์ไม่กล่าวถึงพยาธิความป่วยไขย้ว่าเป็นทุกข์เพเห็นว่าได้รวมไว้ในคําว่าทุกข์ัดคือทุกข์กายในคําว่าโศกะปริเทวะทุกข์โทมรัสสัตุปายาสนั้นแล้วแต่ในที่มาบางแห่งได้แสดงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์และตัดคำว่าโซกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุ ป, ปายาสาปิทุกขาเสียเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปทถมเทศนาแล้วท่านแสดงว่าธรรมะจักสุข ค, คือดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแก่พระโกนธัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าของภิกษุปัญจวคีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา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 ทำมาจากกับวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรที่แสดงถึงเรื่องการยังจกักคือทําให้เป็นไปเทียบกับจักของพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดนั้นท่านแสดงว่ามีรัตนเจ็ดได้แก่จักรรัตนะ์จักรแก้วหัตถิรัตนะ์ช้างแก้วอสสรัตนะ์ม้าแก้วมณิรัตนะ์มณีแก้วอิทธิรัตนะ์สตรีแก้ว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 ว่าเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนถ้าทั้งห้านี้พึงเป็นอัตตาตัวตนทั้งห้านี้ก็พึงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็จะถึงได้ในส่วนต่างห้านี้ว่าขอให้เป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุว่าทั้งห้านี้มิใช่อัตตาตัวตนฉะนั้นทั้งห้านี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็ย่อมไม่ได้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 กิจที่ควรทำได้ทำสาเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเพื่อความเป็นเช่นนี้อีกต่อไปพระธรรมสังคาหากาจานหรือพระอาจารย์ผู้ทำสังคยานา100รอ้อยกรตั้งเป็นพระบาลีไว้ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายพระสูตรว่าเมื่อทั้งทั้งห้าได้สดับสูตรนี้จบแล้วก็มีใจไปติดโสมนัสแนบแน่นจิตของท่านทั้งห้าก็พ้นจากอาสวะกิเลส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 สัสตตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงอย่างหนึ่งอุดเฉ ท, ทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูญอย่างหนึ่งสัสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงนั้นคือเห็นว่าในปัจจุบันชาตินี้มีอัตตาคือตัวตนเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาคือตัวตนก็ยังไม่สิ้นยังจะมีสืบพบชาติต่อไปมีชาติหน้าเรื่อยไปไม่มีขาดศูญแปลว่า